ถรามบทแปลเรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมาหากัสตรเถร ะ, ระภาคที่สเรื่องที่42พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงรรบารมีการถวายบิณฑบาตแก่พระมาหาเกษตรเถร ะ, ระพระธรรมเทศนานิว่าอัปมัตโตอยังคันโต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 และเหล่ามนุษย์ตอนนางอับสอนอยากทำบุญแต่ไม่สมหวังความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระเถระออกจากนิโรธสมาบัติหลังจากที่เข้ามาได้เจ็ดวันเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็มีความคิดว่าจะเที่ยวบินนาบาตตามลำดับตรอก ในกรุงราชกฤตก็ในสมัยนั้นนางอับสอนประมาณ500มีเท้าเหมือนเท้านกพิราบเป็นป ร, ริจาริกาของเท้าสักกัดเทวราชเกิดความอุตสาห์ว่าเราจะถวายบิณฑบาตแก่พระเทระเธอเหล่านั้นจึงตระเตรียมบิณฑบาต500รที่แล้วถือมายืนอยู่ในระหว่างทางกล่าวว่า นิมนต์รับบินตบานี้เจ้าข้าโปรโดทําความสงเคราะห์แก่พวกดิฉันเถิดพระเทระกล่าวว่าพวกเจ้าจงหลีไปเถิดฉันจัดทาความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจนางอับสรขอท่านอย่าให้พวกดิฉันชิบหายเสียเลยเจ้าข้าโปรโดทําความสงเคราะห์พวกดิฉันเถิดพระเทระรู้แล้วจึงห้ามนางอับสรทั้งหลาย ผู้ไม่ปรารถนาจะหลีกไปยังมัวอ้อนวอนอยู่ด้วยการดีดนิ้วแล้วบอกว่าพวกเจ้าไม่รู้จักประมาณตัวจงหลีกไปนางอับสอนเหล่านั้นฟังเสียงนิ้วมือของระเตระแล้วไม่อาจเพื่อจะยืนกัดแข้งอยู่ได้จึงหนีไปยังเยวโลกตามเดิมในที่นั้นท้าวสากะ จึงได้ถามนางอับสอนทั้งหลายเหล่านั้นว่าผู้หล่อนไปไหนมานางอับสอนจึงทูลว่าหม่อมฉันพากันไปด้วยหมายว่าจะถวายบิณฑบาตแก่พระมหากสปเทระผู้ออกจากสมาบัติพระชก้าท้าวักกะก็พวกหล่อนได้ถวายแล้วหรือนางอับสอนพระเทระไม่ปรารถนาจะรับท้าวักกะ พระเถระพูดว่าอย่างไรนางอัรสรท่านพูดว่าจะทําความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจพระเจ้ขาข้าท้าวส ก, กะก็พวกหล่อนไปกันด้วยอาการอย่างไรนางอัรสรไปด้วยอาการอย่างนี้แหละพระเจ้ขาข้าตอนท้าวสกากแปลงตัวทําบุญแก่พระเถระท้าวสกากจึงตรัสว่า หญิงเช่นพวกหล่อนจะถวายบิณฑบาตแก่พระเทระได้อย่างไรดังนี้แล้วท้าวสั ก, กะมีความประสงค์จะถวายด้วยพระองค์เองจึงแปลงกายเป็นคนแก่คร่ำคร่าด้วยอำนาจความชรามีฟันหักมีผมงอมีหลังโกงเป็นช่างหูกผู้เท่าทรงธรรมแม้นางสุชาดา ผู้เทพธิดาให้เป็นหญิงแก่เหมือนอย่างนั้นนั่นแหลแล้วทรงเนลเมรถนนช่างหูขึ้นสายหนึ่งประทับขึงหูกอยู่ฝ่ายพระเทระเดินบ่ายหน้าเข้าเมืองด้วยหวังว่าจะทำความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจเห็นถนนสายนั้นนอกเมืองนั่นแหละและดูอยู่ก็ได้เห็นคนสองคน ในขณะนั้นเท้าสักกะกำลังถึงหูนางสุชาดากรหลอดพระเดราคิดว่าสองคนนี้แม้ในเวลาแก่ก็ยังทำงานในเมืองนี้ผู้ที่จะเข็นใจกว่าสองคนนี้เห็นจะไม่มีเราจะรับพัดแม้ประมาณกระบวยหนึ่งที่สองคนนี้ถวายแล้วทำความสงเคราะห์แกสองคนนี้ ดังนี้พระเทระได้บายหน้าไปตรงเรือนของคนทั้งสองนั่นแหละเท้าสักก์ทอดพระเนตรเห็นพระเทระนั้นมาอยู่จึงตรัสกับนางสุชาดาว่าหล่อนพระผู้เป็นเจ้าของเราเดินมาทางนี้เธอจงนั่งทำเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเสียฉันจักรหลวงท่านครู่หนึ่งแล้วจึงถวายบินบาต พระเถระได้มายืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้วแม้สองผัวเมียนั้นก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นทำแต่การงานของตนฝ่ายเดียวก็ อ, อยู่หน่อยหนึ่งแล้วกระนั้นท้าวสักกะจึงได้กล่าวก้นว่าที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งเธอจงไปตรวจดูนางสุจดาจึงตอบว่า ท่านจงไปตรวจดูเถินายตาอสกากผู้จำแรงกายจึงออกจากเรือนแล้วไหวพระเตระด้วยเป็นจางกระประิ์แล้วจึงเอามือทั้งสองเท้าเข่าแล้วถอนใจลุกขึ้นย่อกายลงแล้วกล่าวขึ้นว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเตระรูปไหนหนอแลตาของผมฟ้าฟางดังนี้แล้ว ก็ได้เอามือป้องหน้าทำทีแงนดูแล้วจึงกล่าวว่าโอ้ตายจริงพระผู้เป็นเจ้าพระมาหากัสปราระคะของเรานานๆจึงมาถึงประตูกระท่อมของเรามีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหมนางสุชาดาทำเป็นกุลีกุจออยู่หน่อยหนึ่งแล้วให้คำตอบว่ามีนาย้าวสักะ จึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเพระกุญเจ้าอย่าคิดเลยว่าทานเจ้าหมองหรือประณีตโปรดทําความสงเคราะห์แก่พวกกระผมทั้งสองเถิดนังนี้แล้วก็ได้รับบาตรของพระมหากษัะริยไว้พระเจระคิดว่าทานที่สองผัวเมียนั้นถวายแล้วจะเป็นน้ำผักดองหรือระคำมือหนึ่งก็ตามที เราจะทำความสงเคราะห์แก่สองผัวเมียนั้นต น, นนี้แล้วจึงได้ให้บาดไปท้าสา ก, กะเสด็จเข้าไปภายในเรือนแล้วได้คดข้าวสุกออกจากหม้อใส่เต็มบาดแล้วมอบถวายในมือพระเถระบินตบาทนั้นได้มีข้าวและแกงมากมายได้หอมตลบทั่วกรุงราชกฤรือแล้ว ตอนเท้าสักกะตรัส บ, บอกความจริงแก่พระเถระในการนั้นพระเถระคิดว่าชายคนนี้มีสักน้อยบินบาตมีศักมากเช่นกับโภชนะของเท้าสักกะนั่นไกลเนาครา น, นั้นพระเถระได้ทราบชายนั้นว่าเป็นเท้าสักกะดังนี้แล้ว จึงกล่าวขึ้นว่าพระองค์แย่งสมบัติของคนเข็นใจจัดว่าทำกรรมหนักแล้วใครใก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายทานแกธรรมาภาพในวันนี้พึงได้ตำแหน่งเสนาบดีหรือตำแหน่งเศรษฐีท้าวส ก, กะผู้ที่เข็นใจไปกว่ากระผมไม่มีเลยครับพระเถระก็พระองค์สวยสิริราชสมบัติ ในเทวโลกจะจัดว่าเป็นคนเข็นใจพระเหตุไรท้าวสั ก, กะอย่างที่พระกุณเจ้าว่าก็ถูกรับแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอุบัติกระผมได้ทำกัละยาณธรรมเอาไว้เมื่อพุทธุปบาทการยังเป็นไปอยู่เทพบุตรผู้มีศักดิ์เสมอกันสามองเหล่านี้คือจุลรัเทพบุตรมหารั เทพบุตรอนเนกะวันณนะเทพบุตรทำกเลียนธรรมแล้วได้เกิดในที่ใกล้ของกระผมมีเดชมากกว่ากระผมก็เมื่อเทพบุตรทั้งสามนั้นพาพวกปริจาริกาลงสู่ระหว่างถนนด้วยคิดว่าจากเล่นนักกษัตริย์กระผมต้องหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากศตรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้น ท่วมทับสรีระของกระผมเดจากสรีระของกระผมไม่ท่วมทับสรีระของเทพบุตรทั้งสมนั้นใกลจะเข็นใจกว่ากระผมเล่าครับพระเถระแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปพระองค์อย่าได้ลวงถวายทานแก่ธรตมภาพอย่างนั้นลาวส ก, กะก็เมื่อกระผมลวงถวายทานแก่ท่าน กุศลจะมีแก่กระผมหรือไม่มีครับพระเทระกุศลก็เกิดมีแก่พระองค์แน่นอนท้าวสักกะก็เมื่อเป็นอย่างนั้นการทำกุศลก็จัดเป็นหน้าที่ของกระผมสิครับท้าวสักกะตรัสอย่างนั้นแล้วทรงไหว้พระเทระพานางสุชดาทรงทำปตักสินพระเทระแล้วเหาะขึ้นสู่เวหา ทรงเปล่งอุทานนี้ขึ้นมาโอ้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสสปะดังนี้ตอนมหากัสสปะเทระทานสูตรประเหตุ น, นั้นพระธรรมสังฆากาจาร์จึงกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ อยู่ในพระเวรุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชฤกษ์ก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระมหากาสปะอยู่ที่ปิปะพลิขูหานั่งเข้าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งโดยบัลลังก์เดียวสิ้นเจ็ดวันครั้งนั้นแลท่านพระมหากาสปะโดยล่วงเจ็ดวันนั้นแล้ว ก็ออกจากสมาธินั้นท่านพระมาหากัสปะผู้ออกจากสมาธินั้นแล้วได้มีความปรีวิตกอย่างนี้ว่าใชนไหนเนอเราพึงเข้าไปสู่กรุงราชครืเพื่อบินบาบก็โดยสมัยนั้นแลเทวดาประมาณ500ถึงความขวนขวายเพื่อจะให้ท่านพระมาหากัสปะได้บินบาบ ครั้งนั้นแลท่านพระมาหากัสสปะห้ามเทวดาประมาณ500รเหล่านั้นแล้วในเวลาเช้านุ่งสบงถือบาทและจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบินาบาบก็โดยสมัยนั้นแหลเทาวสากะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงประสงค์จะถวายบินาบาตแก่ท่านพระมาหากัสสปะ สรงนรมิตเป็นช่างหูกท่อหูกอยู่อสุรกัญญานามาสุชาดากรหลอดได้คระนันแลที่ประทับอยู่ของท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลายมีอยู่ในทิศภาคใดท่านพระมหากัสริก็เข้าไปหาแล้วโดยทิศภาคนั้นท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายได้ทอดประเนตเห็นแล้วแลซึ่งท่านพระมาหากศะัะริยกำลังเดินมาแต่ที่ไกลเดียวจึงได้ออกจากเรือนทรงต้อนรับรับบาตรจากมือเสด็จเข้าไปสู่เรือนคดข้าวสุกจากหม้อใส่เต็มบาตรแล้วได้ถวายแก่ท่านพระมาหากษัะ บินนบาตนั้นได้มีมากมายมีแกงเหลือหลายครั้นนั้นแลท่านพระมาหากัสสปะได้มีความบริบิตกอย่างนี้ว่าสัตผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพเห็นป่านนี้นี่คือใครกันเนาครั้นนั้นท่านพระมาหากัสสปะจึงเกิดความรู้นี้ขึ้นว่านี่คือเท้าสากะ ผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลายครันทราบแล้วได้กล่าวคํานี้กับท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลายว่าท้าวโกสศิรำนี้อันพระองค์ทรงกระทําแล้วพระองค์อย่าได้ทรงทํากรรมเห็นป่านนี้อีกเลยท้าวสักกะจึงตรัสบอกว่าท่านกษัตริยผู้เจริญ แม้พวกผมก็ต้องการบุญแม้พวกผมก็ควรทำบุญพระนันแล้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายอภิวาสท่านพระมาหากัสปะแล้วทรงทำประทักษิณเหาะขึ้นสู่เวหาทรงเปล่งอุทานสามครั้งในอากาศกลางหาว่าโอทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสสปะโอ้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสสปะเราผู้มีพระปาเจ้าประทับยืนอยู่ในพระวิหารนั่นแลได้ทรงสดับเสียงของตาวสาักะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูเทา้าสกกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงเปล่งอุทานเสด็จไปทางอากาศพวกภิกษุก็เทา้าสกกะนั้นทำอะไรพระชค่าขาพระศาสดาเท้าเธอหลวงถวายบิณฑบาตแ ก, ก่กัสปะผู้บุตรของเราครั้นถวายบิณฑบาตนั้นแล้วดีใจพลางเปล่งอุทานไป ภิกษุก็เท้าเธอทราบได้อย่างไรว่าควรถวายบิณฑบาตแก่พระเถระพระเจ้าพระศาสดาภิกษุทั้งหลายทั้งเหล่าเทพเจ้าทั้งเหล่ามนุษย์ย่อมบอใจภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเช่นบุตรของเราดังนี้แล้วแม้ว่าองค์เองก็ทรงเปล่งอุทานแล้วก็เนื้อหาในพระสูตร คำมาเพียงเท่านี้นั่นเดียวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสนับแล้วแลซึ่งเสียงของเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาผู้เหาะขึ้นสู่เวหาทรงเปล่งุทธานสามครั้งในกลางหาว่าโอทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสปะดังนี้สามครั้ง ด้วยพระโสตะธาตุอันเป็นทิพย์มนจดล่วงเสียซึ่งโสตะของสามัญมนุษย์กระนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วทรงเปล่งอุตานี้ในเวลานั้นว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจแก่ภิกษุผู้ถือการบินาบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงตัวเองมิใช่เลี้ยงผู้อื่น ผู้มั่นคงผู้เข้าไปสงบแล้วมีสติทุกเมื่อก็แลครั้นทรงเปล่งอุทานนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลายได้เสด็จมาสบายบินระบาดแกบุตรของเราเพราะกลิ่นศีลดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถานี้ว่า กลิ่นนี้คือกลิ่นกลิศนาและกลิ่นจันเป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นจันสูงย่อมหอมฟุง้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์บาลีว่าอปะมัตโตะยังคันโตยาวายังตะคะจันทนีโยจะ สีละวะตังคันโตวาติเทเวสุอุตโมในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอปะมัตโตแปลว่าเป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยหมายความว่ามีประมาณนิดเดียวคำว่าโยจัสีละวะตังแปลว่าส่วนกลิ่นของผู้มีสินทั้งหลายหมายความว่า ส่วนกลิ่นศีลของผู้มีศีลทั้งหลายใดกลิ่นศีล น, นั้นหาเป็นกลิ่นเล็กน้อยเหมือนกลิ่นในกลิสนาและจันแดงังไม่คือเป็นกลิ่นอันโอรานแพรสั้นไปเหลือเกินด้วยเหตุนั้นแลกลิ่นศีลจึงเป็นกลิ่นสูงสุดคือประเสริฐเลิศฟุ้งไปในเหล่าเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์ คำว่าฟุ้งไปในเหล่าเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์นั้นหมายถึงหอมตลกทั่วไปทีเดียวในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้เกิดประโยชน์แกมหาชนแล้วดังนี้แหละเรื่องการถบายบินฑบาตแกพระมหากัสปะเทระ